อรอันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเป็นครูผู้สอนมนุษย์แดชเทวดาทั้งหลายขอจเจริญพรมายังอุบาสกวาสิกาซึ่งผู้อยู่ใกล้ศาสนาที่อยู่ในบริเวณนี้นะในธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามา มาบรรยายธรรมแสดงธรรมในหัวข้อที่ว่าทำรรสี่อย่างที่ทาให้เป็นพระโสดาบันทำรรสี่อย่างที่ทาให้เราเป็นพระโสดาบันทำรรสี่อย่างได้แก่ศรัทธาศรัทธา ธาแล้วก็ศีล น, นะศรัทธาคือความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่สมอย่างอันที่สีก็เป็นผู้มีศีลนะทำสีอย่างนี่แหละทำให้เราเป็นพระอริยบุคคลขั้นตน้นคือพระโสดาบันคำว่าศรัทธาคือความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านะ เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันตัดสันโชอบด้วยพระองค์เองเป็นผู้มีวิชาและจรณะเป็นผู้โลภเป็นผู้เป็นวิชาจรณ ะ, ะเป็นเป็นผู้ไปด้วยดีเป็นผู้รู้แจ้งเสื่งโลกสารทีผู้ฝึกบุรุษและสติอย่างยอดเยี่ยม เป็นครูผู้สอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกแจกทำออกสอนพุทธบริษัททั้งหลายพระพุทธองค์เราต้องมีศรัทธาเชื่อเลื่อมใสในพระพุทธจเจ้าว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะ อันนี้ก็มีศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมอันที่สองเชื่อแน่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าตัดแสดงไว้ดีแล้วได้แก่ทำแปมื่นสี่พันพระธรรมมขันทำแปดมื่นสี่พพระธรรมมะขันแยกออกเป็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่ทำแปมื่นสี่พันพระธรรมมขัน เป็นคำสอนของโคตธเจ้าสันทิติโกผู้ใดปฏิบัติตามผู้ใดปฏิบัติพึงรู้เองเห็นเองอากาลิีโกไม่จำกัดการเวลาเอหิปัสสิโกจงเรียกมาดูเถิดโอปนัญิโกน้องเข้ามาสู่ตนเองปัจจตังเวทิตบโบวมยูนิอันวินยูชนพึงรู้จำเพาะตน คำ ส, ำสอนของพระเจ้านี่ผู้ผู้ปฏิบัติตามพระธร ร, ม, รมคำสอนของพระเจ้าคือพระอริยสงฆ์คือพระสงฆ์พระสงฆ์คือพระสุ ป, ปฏิปโนเนี่ยพระสุ ป, ปฏิปโนพระขวัตโตสาวกสังโฆสงสาวกความพระพุทธเจ้ามูใดปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ ปฏิบัติควรแล้วได้แก่บุรุษสี่คู่คือพระโสดาสกิทาคาอนาคาพระลหันแยกออกเป็นบุคคลได้แดบุคคลได้แก่พระโสดามรดมโสดาผลสองสกิทาคามรดสกิทาลผลผลสี่ อนาทานมีมรดหาอันาทา น, ม, า น, านมีผลหกอรหัตมัดเจ็อรหัตผลแปดเงียเกียรออกเป็นแปดบุคคลนี่เราได้เกียรติสงสาวกขอมพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ควรรับอาหุนทานอาหุนโยดทานที่ศรัทธาญาติโยมเขาจัดไว้แล้ว นํามาส่งถึงที่เป็นผู้ควรรับปามูเนโยปาหุนาทานทานที่าาศรัทธาญาติโยมเขาจัดเตรียมไว้แล้วนิมนต์ไปรับที่บ้านที่พักอาหูเนโยปาหูเนโยทักชีเนโยเป็นผู้ควรทับรับทักชีนาทานทานที่าาศรัทธาญาติโยมเขาจัดเตรียมพร้อมแล้ว เพื่ออุทิศให้บุรพยาธิของเขาเรียกว่าทักชินาทานหรือเขาจัดเตรียมไว้แล้วเพื่อประโยชน์ของเขาในภายภาคหน้าก็เรียกว่าทักษินาทานอัญชลีกัลนิโยนี่แเป็นผู้ควรกราควรว่าะสมอัญชลีกระะนิโยอนุตตะลัง เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอห่นในยิ่งกว่านี้นี่แหละเมื่อเราทั้งหลายเข้ามาอยู่ในศาสนาพุทธก็ต้องมาทำ آ, สร้างศรัทธาศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าการทำพระสงฆ์ตัวศรัทธานี่แหละเป็นตัวสำคัญ آ, ในการประพฤติปฏิบัติต่อไปนะ ทีนี้เป็นผู้มีศีลศีลก็ได้ศีลห้านี่นะศีลห้าศีลแปดศีลสิบีสองยยี่สิบนศีลในศาสนาหนาคารวะญาติโยมก็ต้อมอาศัยศีลห้านะผู้มีเย้ามีเลียงก็รักษาศีลห้าศีลห้านี่นะเป็นหลักยึดเป็นการ ประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันอาศัยศ mm ีล hmm. นะห้านี่แหละนะถ้าใครความเประพขึย้ย้อนย่อย้อนกว่าศีลห้าก็เดือดร้อนตัเองแลวผู้อื่นพระพุทธองค์จึงบรรัญญัติศีลห้านี่แหละไว้คุ้มครองโลกไม่ให้โลกตกไปอยู่ในอบายภูมิทั้งสี่นี่แหละทีนี้ศีลอันนี้เป็นศีลของ พานละวา่อ่านโยมผู้คลองเย้าค้องเรือนอยู่ที่ว่าศีลที่ทำให้เป็นอรยิยบุคคลนี้ได้แก่ศีลกุศลกรรมบทสิบเคยได้ยินบ้างไหมกุศลกรรมบทสิบกุศลแปลว่าฉลาดกรรมแปลว่าการกระทาบทแปลว่าทาง ทางการทำของผู้ฉลาดได้แก่นักปราบบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทำลงในสิญนี้สิญกุศลกรรมบท10เนี่ยท่านจึงเรี่ยสิญนี้ว่าอาริยการเป็นสิญอยู่ในมาเปรมาเปรนะสัมมากัมมันโตอย่างการงานชอบอย่าง ไม่ค่ะสัตลักทรัพประพฤติผิดใการเศีลในมนั่งแบบนี้ชื่อหนึ่งว่าอริยกันตศีลศีลของพระอริยบุนคคลเป็นศีลที่ยินดีพอใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายนะให้เข้าใจศีนั่นนี่จึงถูกเรียกชื่อใหมว่าอริยกันตศีลเคยได้ยินบ้างไหมอริยกันต์นีล สินที่ยินดีพอใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ปฏิบัติลงในสินส่นี้สิ่นี้จึงนชื่อว่าอริยกันตสิ่เป็นสิลในอริยมรรคสิ่อริยกันตสินี้ก็ได้แก่กายกรรมสามกายกรรมสามไม่เอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการ ไพยกันสามวะจีกันสีคือไม่พูดปดพูดสอเสียดพูดคำหยาพูดเชย่อเจริญไหลไห้สาระโนกันสามคือไม่โลภจยากได้ของเขาไม่อิจฉาพยาบาทบุคคลอื่นสัจเหตนเห็นถูกต้องดานทํานองคลองธรรม เห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงไม่ก ล, าล้าไปทำบาปในที่รับที่แจ้ ง, อ, งอีกมีศีลกุศลกรรมบทสิบนี้แหละผู้ใดนำไปประพฤติปฏิบัติหรือนำเอาคุณธรรมสิบประการนี้เข้าไปสถิตอยู่ที่จิตที่ใจของเราใจเราก็บรรลุบรรลุแปลว่ารู้เท่าเข้าถึง บรรลุเป็นอริยะบุคคลขันน้นต้นคือพระโสดาบันพระโสดาบันพระโสดาบันนี่แหละท่านเป็นนิยโตโอบุคคลบุคคลผู้เที่ยงตรงต่อสุขคติผตรงต่อสุขคติหมายถึงหันหลังให้อบายาภูมิทั้งสี่หันหน้าเข้าสู่สวรรค์ น, นิพพาน จะไปพระนิพพานในภัยภาคหน้านะนาปิดอบายภูมิได้แล้วาามาวันนี้ยังอยากให้เราท่านทั้งหลายรู้จักศีลกุศลกรรมมบทสิบนี่แหละเป็นแนวทางเพื่อปฏิบัติให้ให้เข้าถึงพระนิพพานในภายภาคหน้านะ อริยกันจศีลนีนก็ว่าอุศลกรรมบทสิบก็ว่าคงเข้าใจนะเมื่อคุณทำสิบประการเข้าไปสถิตยอยู่ที่จิต ท, ที่ใจปรเรียกว่าบรรลุบรรลุนี่แหละทำสี่อย่างทำให้เป็นพระอริยบุคคลขั้นตน้นได้แก่ศรัทธาคือความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้มีศีล โอมีสินก็สินห้านี่แหละสินห้าแล้วก็บวกกุศลกรรมมาบทสิท์เข้ามาใส่เราเรารีศมีสินห้าในพื้นอยู่แล้วถ้าอยากเป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นก็บวกกุศลกรรมมบทสิท์เข้ามาใส่เราก็จะได้เป็นอริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันปิดอบายะบูมได้เด็ดขาด นหน้าเข้าสู่สวรรค์นิพพานจะไปทระนิพพานในไยายภาคหน้าให้พากันเข้าใจนำอ้อนีแหละไปประพฤติปฏิบัติแม่ญาติพี่น้องของเราผู้ญาติใยายหรือเพื่อนพ้มงของเรานะเราจะตอบแทนคุณพ่อแม่ญาติพี่น้องของเราหาอันอื่นมาตอบแทนไม่ได้อันอื่นตอบแทนก็ไม่ได้แร้ว มีบ้านใหญ่หลังโตมีเงินมี ท, ทองให้ชชยมีคนงานรับใช้อยูอ่มีอะไรสมบัติหลายอย่างให้ท่านก็ยังตอบแทนบุญคุณไม่ได้ต่อเมื่อจะตอบแทนบุญคุณได้ก็ต่อเมื่อแนะนำให้ท่านมาทำเป็นมาเป็นผู้เลื่อมใสในพระราชณัตฐ์ คือเป็นผู้มีศรัทธาศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตยเป็นผู้มีศีลศีลห้าบุสลกรรมบท1สินี่แหละทำไมถึงว่าตอบแทนบุญคุณได้หากท่านธาตุแตกขั้นดับท่านก็จะไปสถิตจิตของท่านก็จะมาเกิดบนมนุษย์หรือสวรรค์ ไม่เกินเจตชาติก็ไปพระนิพพานในภายภาคหน้าส่วนเรามีบ้านช่องห้องพอมีอาหารการกินนวดเฟ้นให้มีมันมีท้องให้ใช้อยู่ท่านก็ยังปิดเอ า, บา ย, ยบยาคูมไม่ได้เข้าใจไหมล่ะท่านแนะนำให้ท่านมามีศรัทธามีความเดื่อนใสในพระรันตนตรัยเป็นผู้มีศีล สินหกศลกรรมบทสิบนี่แหละท่านจะปิดอบายยภูมิได้ยิงเป็นการตอบแทนที่ดีที่สุดนะให้ท่านปิดอบายยภูมิได้มาพอมาพูดถึงพระโสดาบันนี่ก็จะเกิดเนี่ยในมนุษย์หรือสวรรค์ไม่เกินเจ็ดชาติก็เข้าสู่พระนิพพานในภลายภาคหน้าถ้าเราท่านทั้งหลายอยาก ได้คุณทำสิบประการ ไ, ไว้แล้วก็บรรลุบรรลุแปลว่ารู้เท่าเข้าถึงนั้นไม่ยากรอกคนคิดว่ายากลําบากไร้ทําไงจะได้เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันมีคุณสมบัติอย่างไรเราต้องรู้จักเข้าใจไรหมล่ะว่ารู้จักว่าหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาสองเป็นผู้มีศีลได้นะเมื่อวานนี้อาจจะศีล กายกรรมสามอาจจะไปข่ายุงข่าลิ้นอยู่หรือจะไปทำบาปทุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งดู<ม>ก็ให้ถือเส่าว่าวันนี้นะเมื่อมาได้ยินพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็น้อมเอาไปไว้ให้ถือปัจจุบันเป็นหลักเมื่อวานนี้อาจจะศีลไม่ดีก็ได้วันนี้เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก่ทำศีลของเราให้ดี น้อกมาคุณทรสิบประการเข้าไปสถิตที่จิตใจใจของเรองก็จะบรรูุรู้เท่าเข้าถึงคุณทรสิบประการก็ได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นตน้นคือพระโสดาบันที่นี้พระโสดาบันมีอยู่สามระดับนะอันนี้เป็นประเภทที่แรกเป็นผู้มีกายดีก็ว่าอันเดียวกันกายดี ไม่เอากายแย่ค่าสัตว์รักทรัพ ป, ประพฤติผิดในการมเป็นผู้มีวายใาดีเป็นคือไม่พูดปวดพูดสอเสียดพูดคัยาพูดเพื่อเจอแล้วไหเป็นผู้ที่มีใจดีคือไม่โลภจากได้ของเขาไม่ชั่พยาบาทบุคคลอืน่นสัตว์อืน่นเห็นถูกต้องตามทํานองของธรรมเห็นว่าบาปนี้ิ ไม่กล้าไปทำบาปม่ทีรักที่แก่คุณทำสิบประการนี้แหละทำให้เราเป็นพระอธิยบุคลคลทัานโทนคือว่าโสดาบันจำได้แล้วเนาะจำได้แล้วย้ำยังนี้นะทีนี้พระโสดาบันมีอยู่สามประเภทด้วยกันองค์นี้เรียกว่าสัตตะขะตุปรมาองค์นี้ฮะสัตตะแปลว่าเจ็บ หากจะมาเกิดในสวรรค์หรือมนุษย์ไม่เกินเกจ็ดชาติเข้าสู่พระนิพพานในภายภาคหน้าองค์ที่สองเรียกว่าโกลังโกละโกลังโกละองค์ที่สองนี้หากจะมาเกิดในมนุษย์หรือสวรรค์ไม่เกินสองชาติสามชาติก็ได้เข้าสู่พระนิพพานองค์นี้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธา มีศีลศีลห้าขุนชนกมาบทศิษย์เนี่ยแล้วก็เป็นผู้มีศรัทธาในศีลแล้วก็เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมไม่ลูกคำในหนทางคำว่าดวงตาเห็นธรรมเราท่านทั้งหลายอาจจะคิดลึกไปละเอียดไปเห็นยังไงนาะเห็นธรรมก็เห็นธรรมดา คือจธรรมดาไหมธรรมดาคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นทาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายก็ดับไปเป็นธรรมดาดวงตาเ็นธรรมธรรมดา น, นี่ยคืออนิจจมทุกขังอนิยมตานีย่ยเรียกว่ากฎธรรมดากฎธรรมชาติ S <S <an throp od> เห็ น, นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นแล้วดับไปนี่ก็คือมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับนะสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับสิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาให้ดวงตาอย่าทา คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นธรรมดาอะไรเกิดขึ้นอะไรก็ต้องดับหมดยกตัวอย่างเช่นตากับลูกประทบกันยังไงเกิดวิญญาณรู้ขึ้นดับหรือไม่ดับหลังก็ดับลงใช่ไหมหูได้ยินเสียงเกิดได้วิญญาณรู้ขึ้นว่าเสียงนั้นเสียงนี้แล้วก็ ดับจมูกได้กลิ่นลิ้นได้นดโพธิภพกระทบกับกายของเราเกิดเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดขึ้นแล้วก็ดับสุดท้ายก็คือธรรมอารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นจากใจของเราไหลออกจากใจของเราเนี่คือความคิดมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไม่มีใครบังคับบัญชาได้เกิดแล้วมันต้องดับเอง เกิดเองนับเองความคิดมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับเองทําไมมันถึงดับมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตานี่แหละคือไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครกดธรรมชาติอย่างนี้ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่พระอาญาโกนทัญญาได้ฟังตอนนี้ก็เลยว่าได้ยินเหมือดวงตายิ่งทมตายจิตตายใจไปเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาคืออายันะภายนอกรู้จยากอายตนะภายนอกไหมรูปเสียงเป็นลดโภทภพธรรมลมคืออายันะภายนอก กระทบกับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกันแล้วก็วิญ ญ, ญาณรู้ขึ้นก็เรียกว่าเกิดนี่แหละเขาเรียกว่าเกิดเรียกว่าโลกเกิดหรืเรียกว่าขันห้าเกิดหรือเรียกว่าวิ ญ, ญญาณเกิดเกิดรว้นั่นอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ดับไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งทั้งหลายก็ดับไปเป็นธรรมดาเรียกว่าลวงตาเห็นธรรมด้วยจากธรรมดาหรื อ, อยังนะธรรมดาคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองเป็นไปโดยตนเองไม่มีใครสร้างสรรและดัดแปลงเกิดขึ้นแล้วก็ดับเป็นธรรมดาเรียกว่าเห็นธรรมดาองค์นี้เป็นพระโสดาบันองค์ที่สองต้องมีศรัทธา มีศีนดวงตาเย็นธรรมหากมาเกิดในมนุษย์หรือสวรรค์เองไม่เกินสองชาติสามชาติก็เข้าสู่พระนิพพานยนต์ภพยนต์ชาติใดเข้าสู่พระนิพพานในภายควาหน้าองค์สุดท้ายพระโสดาบันมีศาองค์สุดท้ายเรียกว่าเอกับพีชีอเอกแปลว่าหนึ่งหากกลับมาเกิดในมนุษย์เพียงชาติเดียว เอกับพีชีก็ไปสู่พระนิพพานเลยดังพระอรหันต์ทั้งหลายสมัยพุทธกาลมาเกิดชาติสุดท้ายก็ที่แรกกอมาเป็นพระโสดาบันก่อนยิงจะเข้าสู่พระนิพพานพระโสดาบันองค์นี้ก็มาประกอบมาจานย์นั่นนะเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีดวงตาเห็นธรรมและละสัยชน์สามได้ สังโยชน์สเคยได้ยินสังโยชน์ไหมนะสังโยชน์คืออะไรนะสังโยชน์คือกิเลสเครื่องดึงลัดมัสสัตวให้ติดอยู่ในภพในชาติไม่มีที่สิ้นสุดสัตว์ทั้งหลายจึงเวียนว่ายได้เกิดพบแล้วพบเล่าไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่ากิเลสพวกนี้มาดึงลัดมัสสัตทั้งหลาย ให้มาตินอยู่ในภพในชาติหมุนเวียนไหวได้เกิดอยู่อย่างนี้นะในวัฏฏสงสารอย่างนี้เรียกว่าอิเลสคือตัณหากิเลสคืออวิชชาคือตัณหาเครื่องดึงรัดมัดสัตว์ให้ติดอยู่ในภพในชาติสัยชน์มีอยู่ทั้งหมด10อย่างสิบอย่างได้แก่สัญญาทิฐิ วิกิจิชาศิลพั์ปรามากามลาะปฏิฆะแล้วก็สังโยชน์5อย่างนี้เทียวสังโยชน์เบื้องต่ำตั้งแต่พระอนาคามีลงมาละสังโยชน์ได้หอย่างพระสุดาบันละสังโยชน์ได้สมขึ้นไปสังโยชน์เบื้องบนอีก5้า รลปลาคะอรูปลาคะมานะอุทธัจอกวิชาหาอย่างนี้เป็นสังโยชน์ของพระอรหันต์พระอรหันต์ต้องมาละเพิ่อีกบห้าอย่างข้างบนนี้จึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนพระโสดาบันองค์สุดท้ายก็มาละได้สามอย่าง คสักยะทิฏฐิวิจิจิชาศสิลพัตปรามานะเคยได้ยินอยู่นอ้นองๆสักยะทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นกายะกับความเห็นมากายนี่นะแปลงฟังความเห็นมาก่อนส่วนกายของเราเนะี่ยนั่งอนะ่เนี่ยความเห็นตั้มแต่เราความเห็นของเรา ทิฏฐิเรีว่าความเห็นสักยะคือความเห็นมากายกายที่นั่งกายคือสัตว์คือคนคือตัวคือตอนคือเราคือเขาความเห็นก่อนสกุลกายนี่ยนะคือสัตว์บุคคลตัว ต, วตนเราเขานั่งนี่ความถือเนี่เรียกว่าสักยะทิฏฐิหรือจะพูดแค่เข้ามาอีกความเห็นว่าขันห้า กายนี่นะ่ะก้อนสกปรกกายเขาเรียกว่าลูกกับนามใช่ไหมเรียกว่าขันห้าเราเรียกกันตา่างตามกันมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่โบราณเรียกว่าขันห้าก้อนสกปรกายนี่นี่ดินน้ําลมไฟอากาศวิญญาณมาผสมกันเขา้าจึงเรียกว่าลูกกับนามนี่ลูกกับนามหรือมาสมมติว่าขันห้า เดี๋นี่ละเห็นขันห้าเป็นตนเห็นตนเป็นขันห้าเห็นขันห้ามีอยู่ในตนเห็นตนมีอยู่ในขันห้าขันมีอยู่ห้าขันดูเวทนาสัญญาสำคาญวิญญาณความเห็นมีเห็นอยู่สี่อย่างคือว่าเห็นก้อนสนกุลกายหรือเห็นขันห้าเป็นตนเห็นตนเป็นขันห้า เห็นขันห้ามีอยู่ในตนตนมีในขันห้าความเห็นสี่อย่างขันมีห้าขันสี่ห้ายี่สิบยี่สบอย่างมีอะไรเรียกว่าทิฏฐิยี่สิบอย่างเพราะพุทองค์ว่าทิฏฐิวิปลิตวิปลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะไม่ใช่ความเห็นจริงความเห็นวิปลาด น, นี่แหละเรามานหลงอยู่นี่แหละหลงว่าก้อนสกุลกายนี่แหละคือตนคือเราคือสัตว์คือคนคือเราคือเขาห ล, นะลงว่าพันห้านี่งนะนี่นะ่นนะทิฏฐิสี่ห้ายี่สิบทิฏฐียี่สิบอย่างนี่เลยเรียกว่าทิฏฐิวิ ป, วปาลาดวิปลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะเป็นความเห็นผิดไม่ใช่ความเห็นถูกต้อง ความเห็นผิดนี่แหละท่านเรียวิชชาทิฐิหรือว่าอาวิชชาอาวิชชากับมิชชาทิฏฐิก็อันเดียวกันเนลยนะความเห็นถูกต้องท่านเรียกวาสัมมาทิฐิความเห็นถูกต้องหรือเรียกว่าวิชาวิชาคือความเห็น Quit, คือปัญญาคือความเห็นถูกต้องอวิชชาคือความเห็นผิดมิชชาทิฏฐิ อันเดียวกันฉะนั้นพระพุทธ อ, องค์จึงแนะนําให้เราท่านทั้งหลายแยกขันห้าออกดูให้เห็นตามความเป็นจริงจึงจะละความเห็นผิดได้เอาปัญญาเอาปัญญานะาญญานะฟังให้เข้าใจปัญญายามาฆ่าสักยทิฏฐิฆ่าความเห็นผิดลงได้แล้วก็มาแยกขันห้าออกมีรูป เวทนาสัญญาสังขารัญญาแยกออกเป็นห้าส่วนเอาส่วนที่เป็นลูกมาไขคค่ควรพิจารณาดูก่อนเอาจิตเอาใจแล้วนี่แหละมาพิจารณาดูธาตุสี่ขั้นหน้านี่คือลูกคือขั้นหน่านธาตุสี่ขั้นห่านแยกออกเป็นที่ยียกก็แยกลูกเวทนาสัญญาสังขารออกแล้วกว็ ยกเอาลูกขึ้นมาพิจารณาดูก่อนที่มันเห็นได้ง่ายๆลูกกายของเรานี่นะกายของเราประกอบด้วยธาตุสี่คือดินน้ําลมไฟมาประชุมกันเราก็มาแยกอกแยกธาตุดิ น, นออกแยกธาตุน้าออกเป็นส่วนหนึ่งธาตุลมส่วนหนึ่งธาตุไฟส่วนหนึ่งแยกออกเป็นส่วนๆได้สี่ส่วน ธาตสี่ดินน้ำลมไฟนะเมื่อแยกออกแล้วนะมันจะแยกความหลงเราได้ยังไงก็ฟังไปยังไงแยกออกแล้วเนี่ยเป็นกองดินมีเป็นส่วนที่เป็นดินส่วนที่เป็นน้ำลมไฟเราก็เอาคาถามสี่คำถามนะันน่ะมาถามกองที่ค้นแข็งที่เป็นดินอยู่ดินนี่เป็นคนใช่ไหมนี่ยถามเมื่อแยกออกดูนะ ดินเป็นตนใช่ไหมเห็นขันห้าเป็นตนเห็นตนเป็นขันห้าดินดินดินเป็นตนใช่ไหมพอเข้าใจไหมดินเป็นตนใช่ไหมดินเป็นคนใช่ไหมความคิดเราอย่างนี้เดี๋ยวนี้คิดว่ายังไงเอาก้อนธาตุดินธาตุดินนี่เป็นเราใช่ไหมนี่มันต้องเอาจิตตามไปด้วยนะจึงยากเข้าใจดินเป็นเราใช่ไหม เราเป็นดินใช่ไหมไม่ใช่ดินก็คือเขาสมมุติว่าธาตุดินใช่ไหมเขาก็ไม่รู้จักว่าเขาเป็นดินเลือกเขารู้ว่าเขาเป็นดินอยู่ดินเนี่ยธาตุดินเนี่ยฮะรู้ไหมไม่รู้ว่าเขาเป็นดินแต่คนมายัดสมมุติให้เขาว่าเธอต้องเป็นดินอันนี้ก่อนดินนั่นใช่ไหมล่ะเขาไม่รู้เรื่องว่าเขาเป็นดินมีอะไรมีแต่คนมา ยัดสมมุติใหเขาว่าดินว่ามั้นนะดิน ก, ก็ไม่เป็นคนคนก็ไม่เป็นดินดินก็ไม่มีในคนคนก็ไม่มีในดินแต่ว่าเอามาประกอบเป็นเข้าดินน้ำลงไปนี่มารวมเป็นเขา้าเขามาสมมุติว่าขันห้าใช่ไหมมาสมมุติว่าคนใช่ไหมเนี่ยมาสมมติแล้วก็มาถือเอาตามสมมุติว่าสมมุติว่าคน สมมติว่าตัวสมมติว่าตนสมมติว่าเราว่าเขาใช่ไหมเราเลยมาถือตามสมมติในอดีตมาเขาเรียกว่ า, าไม่มีหลักฐานะยานเชื่อตามเขาพูดกันมาเรยๆใช่ไหมเดี๋ยวนี่ยคนมีไหมแหละอยู่ในเนี่ยดินเป็นคนไหมเอ้าถามเจ้าของดูคนเป็นดินไหม ก้อนดินก้อนสสารกายก้อนมาแยกเป็นธาตุดินดินเป็นเราไหมเราเป็นดินไหมมีไหมไม่มีมีแต่เราเรามีจริงจริงไหมที่ไหนหลงเราแล้วที่ไหเป็นเจ้าหน้าเราเราเป็นเราเป็นดินแล้วดินเป็นเราแล้วที่ไหนดินเขาก็สมมติเราเขาขอสมมติขึ้นมาใช้เรียกแทนก้อนสสารกายนี่เฉย เราจริงๆริมีไหมฮะไม่มีไม่มีไม่ ม, ม, มีเราจริงๆไม่มีนี่นะ่ยตัวปัญญามันจะเกิดขึ้นแต่ก่อนเราเป็นหลงว่าเป็นเราใช่ไหมเราจริงๆริมีไหมถามดูเดี๋ยวนี้แหละมามาอธิบายเพื่อให้ละละความเห็นผิดเดี๋ยวนี้เราเห็นผิดว่าก้อนนี้นะ่ะคือสัตว์คือคนคือตั ว, ค, ตวคือตนคือเราคือเขา เห็นสมุติเขามาโลกเขามาสมมุตใช้กันมาตั้งแต่อดีตคนจริงๆมีไหมฮะต่อพ้อการคนจริงๆมีไหมเออคนมีทำไมถึงเรียกว่าคนนั่งอยู่เนียวถ้าคนไม่มีฮะคนมีโดยสมมุติ เราจริงๆมีไหมมีไหมเนี่ยไม่มีเรามีโดยสมมุติใครสมมุติขึ้นมาฮะใครสมมุติโลกเขาสมมุติมาตั้งแต่อดีตโลกคืออะไรโลกก็คือเราเนี่ยโลกโลกคือคนหนึ่งเดี๋ยวจะไม่เข้าใจโลกโลกคือดินน้ำลมไฟอากาศเขาเรียกว่าโอกาสโลกที่เขาเรียกว่าโลกโลกเนี่นั่งอย่ไหน เดี๋ยวจะไม่เข้าใจโลกดินน้ําลมไฟอากาศสงเคราะห์เรียกว่าโอการโลกวิญญาณเรียกว่าสัตว์โลกสัตว์โลกมาอาศัยอยู่ในโอการโลกท่านจึงเรียกว่าก้อนนี้ว่าโลกเข้าใจไหมเข้าใจโลกไม่ได้เน่ยนี่แหละโลกโลกเขาสมมุติกันขึ้นมาแต่อดีตโลกกับขั้นหน้าเป็นเดียวกันไหมดินน้ําลมไฟอากาศสงเคราะห์เรียกว่าโลก วิญญาณเรียกว่านามลูกกับนามคือกายกหบใหญก็คือขันห้าโลกก็คือขันห้าอันเดียวกันบางทีท่านก็เรียกว่าโลกบางทีก็เรียกว่าขันห้าเขาก็เลยมาสมมติว่าคนใช่ไหมละ่ะเข้าใจแล้วทีนีจักเงินได้แล้วเราหลงเงินต้นก็หลงกายมาหลงกายพร้อมว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขา ใช่ไหมเดี๋ยวนี่นะถ้าไม่มีใช่เราใครนั่งอยู่นี่เนี่ยถามเดียวก็รู้สิย้อนคืนดูสิสมมุติก่อนธาตุก่อนสมมุติก่อนบัญญัติไม่มีสัตว์บุคคลตัว ต, วตวนอยู่ในนี่จริงๆกาใช่ไหมละ่ะเนี่ยนี่แหละพระสวดาบรรพุ น, นี้มีปัญญาละสักกายทิฏฐิได้ละความเห็นมาขันห้าเป็นตน ตนเป็นขันห้าขันห้ามีในตนตนมีในขันห้าอย่างละสี่ละสี่สี่ห้ายี่สิบทิศทียี่สิบอย่างเรียกว่าทิศทีวิปปลิตวิปปะรัตไม่ใช่ความจริงเข้าใจไหมทีนี้เราพอจะเข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้เรามาถือตามโลกเขาสมมติขึ้นมาเฉยเฉยใช่ไหมคนจึงมีโดยสมมติ สัตว์ตัวตนจึงมีโดยสมมุติเพราะพระพุทธองค์จึงให้เลิงเอาไปกายของเราหนีแล่เนี่แล่เข้าไปดูกายอย่างของแลดูดังแต่ดกายผู้อื่นเห็นใน็ดกายกายของเรานี่แหละให้แลดูกายอาของถอดกายของอองกาอาออามาดูให้ดูเห็นตามความเป็นจริงจึงจะดับความเห็นผิดคือมิจฉาทิฐิลง นี่แหละท่านเรียกว่าสัค ก, กายะทิฏฐิความเห็นว่าขันห้าเป็นตนตนเป็นขันห้าขันห้ามีอยู่ในตนตนมีในขันห้าถ้าใครละอันนี้ได้ก็ดับอวิชชาคือความเห็นผิดความความรู้ไม่จริงลงได้วิชาก็จะเกิดวิชาแคจะเกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้น มาแทนทันทีเดี๋ยวนี้กำลังจะเกิดขึ้นมาแทนความเห็นถูกต้องแต่ก่อนเห็นว่าขันห้าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใช่ไหมเดี๋ยวนี้กำลังว่าโอ้รู้ว่าขัห้าเป็นเพียงสมมุติเฉยๆสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีในขันห้าใช่ไหมเดี๋ยวนี้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแนละ้วความเห็นถูกต้องหรือเรียกว่าวิชาไม่มีอยู่ในกระดาษหนังสือดอก อันนั้นเป็นเขียนให้เราท่องเราจำเราเฉยๆสัมมาทิฏฐิพ่อเขาใหญ่ไหมแหะสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องความเห็นรงความเห็นถูกต้องความเห็นชอบกระดับมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดลงทีนี้ปัญญานี่แหละมันจะไปฆ่ากิเลสเป็นเหตุให้ดับทุกข์ได้ในก้อนสกุลกายนี้ เมื่อวิ ญ, ญญาณลงมาอาศัยอยู่ในก้อนสกลกายนี้ตัววิ ญ, ญญาณจึงมาสร้างทวานคือตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเพื่อรับโลกรับอารมณ์เข้าใจไหมรับโลกรับอารมณ์นะัสร้างขึ้นมาเราจะมาถื่อตามโลกเชือไม่ตามสมมุติเข้ามาเมื่อมารู้ดั่งความเป็นจริงแล้ว กายสกุลกายสัตว์แต่ว่าเขาตั้งชื่อสมมติว่ากายไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาใช่ไหมเดี๋ยวนี้เข้าใจหรือยังมีสัตบุคคลตัวตนอยู่ในนี่ไหมเอ้ามีไหมสัมมาทิถฐิแล้วความเห็นถูกต้องเห็นว่ากายสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ทีนี้ตาหูจะโหมลิ้นกายใจมันก็คือลูกภายในนี่อมันติดอยู่ที่กายเมื่อตาเห็นลูกนี่แหละเราจะสําคัญตนนะสําคัญตนคือหลงผิดเขาเห็นไหมคิดว่ามีเราอยู่ น, นี่ใช่ไหมตาเห็นลูกจนว่าใครเห็นได้ไงเมื่อตาไปเห็นลูกใครเห็นเราเห็นใช่ไหมฮะ เราเห็นใช่ไหมนี่แหละ ม, มันมันเรามาสำคัญตนอยู่ตรงนี้ถ้าหลงว่ามีเราอยู่ในนี้ก็เรียกว่าเราเห็นถ้าเราเห็นเราจะอยากได้รูปนั้นหรือโกรธให้รูปนั้นอิทธาลมคือยินดีในรูปนั้นอ น, นิทธาลงคือไม่ยินดีในรูปนั้นมีสองอย่างอิทธาลมและอนิธาลงมเ น, นี่ยใช่ไหมหลงว่า ตาเป็นเราเป็นของของเราเลยเนะี่ยสคัญผิดแล้วถ้าสมมติว่าตาก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลก็เป็นลูกภายในตายเป็นลูกก็หมายถึงว่าตามันทําหน้าที่เป็นใหญ่ในการเห็นเฉยๆไม่ใช่เราเองเราจรึงจะไม่ยินดียินดีคืออิทธาลมยินายคืออนินทธาลมมันก็มีสองอันนี้เลย ยินดีเขาทั้ไม่เกิดความโลภขึ้นมาเรียกว่าราคารนสัยตามนอนอยู่ในใจของเราจึงเกิดตัญหาขึ้นมาเข้าใจไหมละ่ะถ้ายินร้ายก็เรียกว่าอนิี้ท้าลงยินร้ายคือโกรธไม่พอใจนะอันนี้ก็ปฏิคานนสัยก็จะดานนอนในใจเราอีกนะเพราะอะไร เพราะอวิชาเพราะความรู้ไม่จริงเพราะหลงว่ากก้อนสกลกายนี่ยคือแสบบุคคลตัวตนเราเขาเข้าใจไหมล่ะเจนี่เข้าใจไหมถ้ารู้ว่าก้อนสกุลกายมันตายเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นเฉยๆไม่ยินดีไม่ยินลายจิตก็เป็นกลางนิ่งว่างเฉยๆไม่ยินดียินรายเท่นี้ นี่พระโสดาบันองค์นี้กึนเมละดักยาธิฐีได้เข้าใจนะวิสีละักยาทิฐีพอเข้าใจเมื่อละสกยาทิฐีได้วิกิจิตฉาสังโยชน์ตัวที่สองคือวิติกิจฉาความโลเลสงสัยในกายว่ามีสารบุคคลตัวตนมีขึ้นไหมดับลงดับวิติกิจฉา ความโลเลสงสัยลงได้าาศีลพัดปรมาตรการบวชปฏิบัติในศีลแต่ก่อนเรางมงายอยู่งมงายในศีลบางคนว่านับถือศาสนาพุทธรักษาศีลอยู่แต่ห่างไปกราบพระยาณ่า ถ, ถูกไหมทเนีฮะไปกราบพระยาณ่า ไปเชื่อมงคลคตื่นขาวเขาว่าอันนั้นดีไปอ้อนวอนอันนั้นอันนีเพื่อขอความช่วยเหลือให้ได้ความสุขให้ได้เงินได้ทองมาเนี่ยเขาเรียกว่างม ง, งายทำทั้งหลายเกิดขึ้นจากเหตุเหตุ ด, ดีพ้นก็ดีนะเหตุไม่ดีพ้นก็ไม่ดีไปอ้อนวอนเท่าไหร่ก็ไม่ได้เพราะว่ามันมันเกิดจากเหตุก็จะมันเกิดจากผลของกรรม ถ้าเราทำดีมัมนก็ได้ดีทำชั่วได้ชั่วการมุงในสีก็จะดับไปบฉะนั้นฉะนั้นสังโยชน์ามนี้เยวก็จะเอาอะไรมาลาชหนึ่งศรัทธาศรัทธ า, ทธาความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์จะมาฆ่าวิตกกิจชาความโลเลสงสัยดับลงเข้าใจไหมเท่นี่อ่าตัวศีลพัดปรามา ก็เอาอริยกันดสินมาฆ่าศีลพัดปรมาสให้ตายลงเราจะมารักษาศีลคือรักษากายของเราให้ดีรักษาวาจาให้ดีรักษาใจให้ดีเราไม่ไปรักษาที่เทียมีไม่ไปง ม, มงายในศีลศีลพัดปรมาสเข้าใจไหมละ่ะอ่าอันนี้นะอริยกันดสินนี่จะมาฆ่าศีลพัตปรมาสดับลง เรารักษาศีลแล้วก็ศีลของกายเท่านั้นไม่เอากายไว้ขาสัตว์รักษาพระพุทธผิดในกลามนั่นศีลของวาจา <c oughs> คือไม่พูดปดพูดเ ส, สียดเสียดคำหยาดพูดเพื่อเจอแล้วหลาลายสารธศีลของใจคือไม่โลภอยากได้ของเขาอิจฉาขาวยาบาดของคนอืน่นสัตว์อืน่นเห็นถูกต้องตามทรรนองของธรรมเห็นว่าบาปมีกิงบุญมีจริงไม่กล้าไปทำบาปใที่รกที่แก่ ศีลพันปรมันดับลงการประพติพจน์ปฏิบัติปฏิบัติลงที่กายว่าจาใจกายดีว่าจจดีใจดีก็ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้วเขาใจไมล่ะอะไรดีกายดีว่าจจดีใจดีเท่านี้ส่วนศีลอย่างอื่นโลภหมดเนี่ยสักกายทิฏฐิความ โลเลสงสัยก็เอาศรัท ธ, ธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจา้าพระธรรมมาสมไปข่าลงส่วนสักกายทิฏฐิก็เอาปัญญาปัญญาคือสัมมาทิฏฐิไปดับมิจฉาทิฏฐิลงความเห็นถูกต้องก็เกิดขึ้นเห็นว่ากายสักแต่ว่ากาย ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตัวนี้เราเขาเวทนาก็สัตว์แต่ว่าเวทนามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตัวนี้เราเขานี่ยนี่เห็นขนันหะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตัวน้เราเขาเมื่อเรามาเข้าใจอย่างนี้มิช้าทิธิดับไป สามาทิที่เกิดขึ้นก่อนตัวปัญญานี่จะมาข่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนะเราก็จะดับเราประพฤตปฏิบัติต่อไปเมื่อตาเห็นนู่นเราพระพุธองค์ยึนให้อบลมป่มอินซีเฮาใหญ่ไม่อินซีอินซีคือตามีความเป็นใ่ในการเห็นอินซีคือหู มีความเป็นใหญ่ในการได้ยินอ่าจะโมกคืออินซีคือความเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการลิ้มรสปวดทพะร่อออางกายเป็นมีความยินดีเพราะมีความเป็นใหญ่ในปวดทพะใจมีความเป็นใหญ่ในการรู้เมื่อตาเห็นรูปหูได้ดยินเสียงจะโมกได้กลิ่ น, นลินได้รส ให้เรามีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่รู้ว่าย่งไรู้ว่าไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่เราได้ยินเรามีอยู่หรือฮ ะ, อะนี่ถามอยู่ขวางเรามีอยู่หรือเราได้ยินใช่ไหมนี่อมลมอยู่มีเสกอต้นไปทำ ทำไปทำมามันจะชำนานขึ้นมาเองสติปัญญายะเอามาดัดอารมณ์เป็นตั้งคู่กันออกเมื่อตายแล้วก็ไม่ใช่เราเห็นเห็นจริงสักแต่ว่าเห็นไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยถ้ายินดีก็เกิดลาคานุสัยเกิดความโลภถ้ายินรายก็เกิดปฏิฆานงสัยคกอความโกรธ ถ้ารู้ไม่จริงอวิชชาตงสายตานอนคือรู้ไม่จริงหลงว่ามีสัตว์ปุครโดนตั ว, วนี้เรียกว่าอวิชชาตงสายตานอนเข้าใจไหมเมื่อรู้จริงว่าไม่มีสัตว์ปุครตัวนี้แบนี่แหละสัมมาทิฏฐิตอนปัญญาตัวนี้มากข้ามจึงดับความโลภความโกรธลงได้พระโสดาบันองค์นี้น่ะอยู่ไปอยู่ไปก็ประพฤติไปประพฤติไปก็จะเกิดดับความโลภความโกรธความหลงลงได้ อารมณ์ดับอารมณ์ลงนดะ้อารมณ์ที่เกิดขึ้นทางตาทางหูจหมูกจีนเราก็รู้เท่าเอาทันโลกรู้เท่อทอารมณ์จึงจะดับได้หากเกิดมาเหนือนะพระโสดาลัยตรงนี้ละ่ะเกิดมาเพียงชาติเดียวก็จะเข้าสู่พิธีทานได้เข้าใจไหมล่ะใช่ไหมออวันนี้ก็ได้มาสแสดง เรื่องพระอริยบุคคลขั้นตน้นคือพระโสดาบันให้เราท่านทั้งหลายฟังพระโสดาบันมันมีอยู่สามประเภทประเภทที่หนึ่งเป็นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรยเป็นผู้มีศีลคือกายดีวาจาดีใจดี ากลับมาเกิดในสวรรค์หรือมนุษย์อีกไม่เกินเจ็ดชาติก็เข้าสู่พระนิพพานองค์ที่สองอเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมนะเป็นผู้มีกายดีวาจาดีใจดีละ่ะศรัทธาเลื่อมใสในพระรันตนตยเป็นผู้มีศีลมีดวงตาเห็นธรรมองค์นี้หากกลับมาเกิด ในสวรรค์หรือมนุษย์อีกไม่เกินสองชาติสามชาติก็เข้าสู่พระนิพพานองค์ที่สามเอกภพีก็มาจากนั่นเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีดวงตาเห็นธรรมแล้วมาละสังโยชน์สามได้คือสักกาะยะทิฏฐิวิกิกิจจาศิรพัฒนประมาแล้วองค์นี้นะหากกลับมาเกิด ในมนุษย์อีกเพียงชาติเดียวก็จะเข้าสูพ่พระนิพพานได้เรียกว่าเกิดเอกระพชี b b b b G, มาเกิดเพียงชาติเดียวก็ได้นำทำคำสอนของพระเจ้าเลื่อนพระริยบุคคลขั้นตน้นคือพระโสดาบันมาแสดงให้เราท่านทั้งหลายฟังพอประดับสติปัญญาก็สมควรแจเวลา เอวังก็มีด้วยประกาศและฉันมีขอเข้าใจว่าไหมหลังเป็นพระสสดาบรรได้ไหมอยู่ในเอาใครกล้าเป็นยกมือขึ้นเอากายดีหรือยังว่ า, จาใจดีหรือยังใจดีหรือยังก็ได้เป็นนะกายดีว่าจจดีใจดี จิตปัรญุเป็นเป็นพระสุปฏิปันโนเท่านั้นง่ายไหมล่ะฮะง่ายไหมอา้าวได้เป็นแล้วพระอริยบุคคลขั้นตน้นต่อไปก็เป็นขั้นที่สองที่สามต่อไปน้หากใครสรงสัยอะไรบ้างไหมล่ะที่แสดงมานี่ใ ห, ห้เวลาอีกนิดหน่อยสงสัยจะถามอะไรบ้างไหมใช<ค>่หลวงปใ ปัจจัดดังเราฆ่าสัตว์หรือยังเราได้ฆ่าสัตว์ไหมก็เรารู้ที่เราเองเข้าใจไหมปัจจัดดังพระพุองค์ตัดแสดงไปดีแล้วดูจําเพาะตนเท่านั้นเราพูดปดไหมวันนี้จะ่าไปถามคนอื่นผมพูดปดไหมนี่เขาก็ไม่รู้จักใช่ไหมต้องปัจจัดดังเข้าใจไหมรู้จําเพาะตนเท่านั้นว่าเราพูดปดไหมอ่าอ่านี่แหละ อะไรอีกเช่นไรให้เขาเชิญโอ้ปัญญาปัญญาชมโทษกรรมฐานห oh, ้าเคยได้ยินไหมกรรมฐานห้าเจษะโลมานะขาทันาตะโจกรรมะแปลว่าการกระทำฐานแปลว่าที่ตั้งวิปัสนากรรมฐาน นิปัสนาแปลว่าปัญญาเราดูแจ้งเอาปัญญาไปดูแจ้งซึ่งกรรมฐานอันใดอันหนึ่งในห้าฐานใช่ไหมอันนึงเห็นว่าผมสมมติว่าผมเป็นกรรมกรรมคือการกระทําเป็นฐานการกระทําในการพาาิจารณาเดินปัญญาผมเป็นเราไหมเราเป็นผมไหมผมมีอยู่ในเราไหมเรามีในผมไหมนี่แหละเอาผมเป็นกรรมฐานเป็นผมที่ตัง วิญญาณก็รูปเป็ น, นาสัญญาสังขารทุกอางอ๋อวิญญาณก็เป็นธาตุโอ้นี่มันมันต้องมาศึกษานะครูบาอาจารย์พ่ออ้างอิงอันนี้พอเป็นแนวทางไปเลยวิญญาณก็เป็นธาตุดินก็เป็นธาตุน้ําก็เป็นธาตุธาตุแปลว่าอะไรธาตุแปลว่ามูลเก่าของเดิมมาตั้งแต่พร้อมโลกนัตั้งแต่โลกเกิดมาก็มีดิน ขึ้นมามีน้ํามาอุ้มดินเอาไว้มีลมมาอุ้มน้ําอุ้มดินเอาไว้มีอากาศมาห่อหุ้มเอไว้อย่างนี้ดินน้ําลมไฟอากาศมันเกิดมาตั้งแต่พร้อมโลกเขาจะเรียกว่าธาตุเดิมธาตุแปลว่าพ้องเก่าของเดิมวิญญาณของเราก็มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันเป็นธาตุรูกไม่ใช่สัตว์บุคคล ต, ร ต, รตรลัวตนเราเขา ต้องเขีนให้เลือกละเอียดเข้าไปตามความเป็นจริงปัญญานี่แหละจริงมากชั้นแรกชั้นแรกว่าไม่ใช่เราผมไม่ใช่เราผลไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราเป็นธาตุดินน้ามาผสมกันเขาเข้าใจไหมล่ะท่นี้นี่แหละเอาปัญญานี่มาชั้นแรกโอ้อันนี้มันบิน ญ, ญาณนี่มันไม่อาจบอกเราหลงเออมันเห็นห ย, ยาบๆอยู่รวบปัญญา แต่ตัววิญญาณท่านรู้มันละเอียดมากเราจึงหลงหลงมาเป็นเราดยอดเห็นใช่ไหมอย่างนี้หลงว่าวิญญาณเป็นเราหลงว่าวิญญาณเราเป็นวิญญาณวิญญาณมีอยู่ในเราวิญญาณเขาก็สมมติวิญญาณจริงๆรงิมีไหมเขารู้กยว่าเขาเป็นวิญญาณไหมท่านถ้าตามหลักจริงเขาสมมติใช่ไหมสมมติว่าวิญญาณสมมติว่ากาย สมมุติว่าเราสมมุติว่าเขาโลกเนี่ยสมมุติขึ้นมาเขาเรียกว่าโลกแห่งสมมุติเรามาหลงโลกก็มาหลงสมมุตินี่แหละเดินเข้าใจไหมหลงโลกก็หลงสมมุตินี่แหละหลงดินน้ำหลงไฟนี่หลงคั้นห่านี่แหละพอเข้าใจนะหลงสมมุติต้องมาแจะแจกให้ตัวเองฟังอยู่นั่นช้าเป็นการงานเป็นประโยชน์จงเกิดญาณขึ้นมา ยานทัศนะความรู้ความเห็นเกิดขึ้นมาภายหลังนะใหม่ๆเราก็ยังงงอยู่เบื้องต้นก็หลงกายเบื้องปก็หลงใจเท่านี้กายกับใจก็คือลูกกับน้ำก็คือหลงทันห้าด้วยเก่านะเข้าใจนะเอาค่อยๆแคะได้ค่อยๆแคะค่อยๆขูดค่อยๆเก่าออกเดี๋ยวมันก็หายหลงเองดอกไม่ใช่ว่ามันจะรู้พึ่งพัดขึ้นมาอืม ให้ไม่ไม่มีสัตว์บุคคลตัวต้นเขาให้เห็นเป็นอสุภะคือไม่สวยไม่งามให้เห็นเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาจบถ้าลงสู่อนัตตาได้จบเลยเข้าใจนะเอาอะไรอีกใครอยากจะถามมีพอเปิดโอกาสแค่นิดหน่อยเวลาพออย่งนี้ก็วายหนึ่งสิบห้ามีไหม ถ้ามันมีก็เอาเข้าใจไม่เข้าใจก็ได้มาฟากพูดให้ฟังแค่นี้แหละ <c oughs> เอาโอ้ได้เป็นพระโสดาบันหมดทุกคนทุกทนะ่านแล้วกาย <c oughs> ดีวายจารีใจดีหมดแล้วพระพุทธเจ้าไม่เป็นห่วงอะไรหรอกครูบาอาจารย์เขาเป็นห่วงผู้กายไม่ดีวายจารไม่ดีใจไม่ดีนี่แหละ ต่างกายดีวาจาดีใจดีแี่จพรอันประเสริฐที่สุดนะ